ท่านงู้ที่เคารพค่ะพระมาจชาคาวโรได้นำเราปฏิบัติทมและให้ความรู้เรื่องของพระสูตรโดยอ่านพระสูตรเต็มพระสูตรให้พวกเราฟังกันไปตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาฟังการที่นำเอาพระสูตรหมายถึงพุทธวจนะของพระพุทธองค์มาตอบคำถามตามความเหมาะสมกับแต่ละคำถามโดยพระอาจารย์ไยบูลุอภิปุนโญจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีช่วงเวลานี้ ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะพุทโธนมรสการก็ทั้งค่ะใช่ค่ะในสื่อธรรมะต่างๆที่เราเขาเรียกว่าแจกฟรีอยู่ในรายการสัสนิสนทนาเนี่ย น, น, น, น ะ, ะที่คุณสัสนิบอกว่าเออฟังฟรนะีนะหนังสือก็แจกฟรีอะไรต่างๆพวกเนี้ยจริงๆแล้วต้องการจะคิดราคาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะคิดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอย่างสงมมติหนังสืออย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าหนังสือเล่มนี้อา่า คิดมันสักสามล้านก็แล้วกันธรรมันมีค่ามากนะสามล้านนี่มันไม่พอเอาสักสิบล้านก็แล้วกันมันคิดไปคิดมาเนี่ยมันเยอะมากือมันหาค่าไม่ได้คุณโยมติ๋วของที่หาค่าไม่ได้เนี่ยเราจะมาใส่ราคามูลค่าราคาค่าพิมพ์เท่านี้เล่มละยี่สิบาทมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากจริงๆธรรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนผู้ฟังเนี่ยฟังรายการนี้อยู่นะแล้วก็ได้หนังสือไปแล้วด้วยนะหรือว่าอยากได้ก็เขียนมาเนี่ย เขียนมาเสร็จปุ๊บได้รับไปเนี่ยให้หาค่าที่มันหาไม่ได้ในสิ่งที่รับไปให้มันมากเพราะว่าอาตมาต้องการคิดมูลค่าอยู่แต่มันคิดไม่ได้จริงจริงคิดค่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนังสือพวกนี้เนี่ยมาแจกฟรีได้เพราะมีคนก็าศรัทธาท่านค่ะศรัทธาในการที่ต้องการที่จะให้คนอื่นได้รู้ทำเหมือนกับที่ตัวเองรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีประโยชน์เหลือเกินอยากจะเผยแผ่ธรรมธรรมทาน ซึ่งธรรมทานนี่ถ้าจะพูดไปมีอ น, นิสงฆ์มากน้อยอย่างไรอรัะนะ่านคะโอ้โหธรรมทานก็ชนะการให้ทั้งปวงการจริงจริงพุทธวจนะตรงนี้พระุทเจ้าบอกว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นถามว่าคุณให้หนังสือเนี่ยอาจจะไม่ใช่ให้ธรรมะก็ได้นะค่ะแจกหนังสือก็แจกหนังสือแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่หนมันอยู่ที่ใน ใ, นใจ เพราถ้าเราปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเราพูดให้เป็นตัวอย่างทําให้เป็นตัวอย่างคิดได้เป็นตัวอย่างเนี่ยชื่อว่าให้ธรรมะจริงๆนะคะก็ขึ้นอยู่คือท่านพิบูลพูดในประเด็นหลังในหมายความว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทําหนังสือนะคะแต่ว่าได้จริงๆเลยในแง่ของการที่ว่าเป็นอานิสงส์จากการทําเป็นธรรมฐานนันคือตัวเองปฏิบัติแล้วตัวเองก็บอกกล่าวต่อถูกไหมคะใช่นะคะส่วนที่ ช่วยกันสร้างเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการช่วยสืบทอดช่วยเผยแผ่พุทธศาสนากันไปอีกทางหนึ่งกันละกันนะคะอ่านี่ประเด็นค่ะอันที่ช่วยกันสร้างเนี่ยหมายถึงว่าทําสื่อสิ่งพิมพ์แรงต่านี่เป็นอีกข้อหนึ่งนะเป็นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นการให้ธรรมะแต่เป็นการที่จะถ่ายทอดบอกสอนกาหนดบทเพลงชนะให้ถูกต้องนะเพื่อที่ไม่ให้ขาดผู้ที่เป็นมูลรากสืบกันต่อไปอันนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้พระสทธธรรตั้งอยู่ได้นาน เป็นคนละข้อกันค่ะทีนี้พอท่านพูดมาถึงเรื่องหนังสือแจกฟรีแล้วดิฉันเองเนี่ยจัดการแล้วชอบพูดจนกระทั่งไม่เหลือเวลาที่จะพูดให้นังสือเต็มเต็มแสดงขออนุ ญ, ญาตในเวลาท่านนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ๆเอ า, าตามสบายเลยขณะนี้เนี่ยหนังสือที่เราแจกมาตั้งแต่ต้นเลยแจกหนังสือประเภทเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือที่รวบรวมพุทธวจนะของพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระาศาสดาของเราเท่านั้น เพราะเราถือว่าสำคัญมากที่จะทำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพุทธวจนะโดยตรงไม่ค่อยมีคนทำหนังสือนี้เลยในตลาดนะคะหายากจริงๆแต่ที่ฉันก็ได้ยินว่าหลังจากที่คำว่าพุทธวจนะเผยแพร่ออกไปมากๆเนี่ยมีคนพยายามทำขายอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางทีไม่ได้ทำขึ้นมาขายหรอกมารวบรวมจากที่ไหนก็ไม่ทราบมีหนังสือแบบเดียวที่แจกฟรีเนี่ยไปขายอันนี้ก็สุดแท้นะคะไม่ได้ พูดมาเพื่อเป็นประเด็นที่จะคุยต่อไปเพียงแต่จะพูดถึงเรื่องของหนังสือที่แจกในรายการท่านสามารถจะขอมาได้เพราะว่าเราก็ได้รับการเมตตาจากพระาอาจารย์คริสต์โสธิพโลวัฒนาปภูรัมลูกาคลองสินะคะตอนนี้แจกให้วันละ3ท่านท่านละหนึ่งเล่มที่0 2 2ย์สองสแล้วก็มีผู้ที่ศรัทธาท่านจันทร์ไพบูลนะคะเห็นที่ฉันไม่ทําซีดีแจกก็เลยทําซีดีให้กับผู้ที่สนใจจะไปฟังทบทวนในสำนวนของพระอาจารย์ไพบูลตอบคําถามที่ แจกก็เป็นเอ3พสามขอไม่ได้วัน ล, ละห้าท่านชื่อคุณมดนะคะที่มีจิตศรัทธานั้นอนุโมทนาพโอกาสนี้ทีนี้มาถึงคำถามนะคะท่านคะทำคำถามที่มาจากต่างประเทศแต่ดิฉันจะไม่บอกเป็นประเทศไหนแล้วกันเดี๋ยวมันเป็นประเด็นขัดแย้งในด้านของความเชื่อคือมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายที่ตัวปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานด้วยเนี่ยสาดน้าปลด จน oh. เธอเสียโฉมแล้วก็ตาบอดพอเกิดมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันเธอก็ขอให้ลงโทษผู้ชายที่ทำร้ายเธอนี้ในะลักษณะตาต่อตา mm hmm. ฟันต่อฟันนะคะปฏิเสธที่จะรับเป็นเงินชดชดเชยค่าเสียหาย mm hmm. เธอบอกว่าต้องการให้ในายคนเนี้ยเจ็บปวดเยี่ยงเดียวกับที่เธอได้รับ <c oughs> ออ่าแล้วโอ้โหสยองขวัญ <c oughs> ก็มีความเชื่อในลักษณะนี้ในสังคมบนโลกใบ น, นี้อยู่ไม่น้อยแต่ทีนี้ในส่วนของพุทธศาสนาของเราอะค่ะถ้าเราโกรธแค้นใครมากๆเราจะทำอย่างไรเขาดีครัท่านคะอ๋อพระเจ้าบอกว่าสมมติมีคนเอาเลื่อยอะมาตัดตัวเราให้ออกเป็นสองท่อนนะคุณโยมติ๋ว เราะจะไปมีจิตกดแค้นเขาอย่างเงี้ยชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจิตเมตตาเราจะไม่กล่าววาจาชั่วอยาบมามีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลแผ่ไปยังบุกแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์นะค่ะอะ่ให้ตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ใ ห, ให้ทําอะไรนะคะท่<ข>านแผ่เมตตาอ่าแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลเนี้ยเป็นอารมณ์สมมติคนนี้มันมาด่าเราใช่ไหมไม่ต้องถึงกับฆ่าเราหรอก มันมาด่าเราเนี่ยเราต้องแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลเนี้เป็นอารมณ์ในการแผ่เมตตาค่ะดิฉันเข้าใจว่าถึงแม้ท่านจะพูดในสิ่งที่เป็นพุทธวจนะมาบทสั้นๆเนี่ยแต่คงจะขยายความยาวจนจบรายการได้เลยค่ะอ่าสิ่งที่จะกราบเรียนถามท่านนะคะก็คือว่าย้อนไปตัวอย่างที่แม้กระทั่งคนที่มาตัดร่างกายเราขาดเป็นท่อนๆพระพุทธองค์อยู่ให้มองว่ายอย่างไรนะคะให้ มีจิตเมตตากับคนนี้ให้มีจิตเมตตาเขาอย่าให้มีจิตพยาบาทอย่าให้มีจิตพยาบาทใครที่กล่าววาจาชั่วหยาบนะมีจิตพยาบาทเนี่ยก็ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเรา<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตอ บ, ตอบโตนะ่กับคนอื่นที่ทำไม่ดีกับเรามากๆเลยถึงขนานดะว่าจะมาฆ่าเราเนี่ยนะ ก็ <c oughs> ต้องทำด้วยนี่แหละวิธีสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแผ่เมตต า, าโดยการที่อดท น, นอดทนขอนนะคะอดทนมีเมตตาจิตโ <c oughs> อ่ารักให้เอ็นดูไม่เบียดเบียนสีวิธีนี้นะ <c oughs> ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยชื่อว่ารักษาตัวเองด้วย <c oughs> อันนี้คมจริงเป็นบทเพยญชนะที่ดีฉันชอบอ คือรักษาตนรักษาผู้อื่นเนี่ยนะคะใช่สมมติว่าเขาเขาเอามีดมาเฉาะเราอยู่อย่างเงี้ยนะเฉาะแขนฉอะขาแล้วเราโกรธเข้ามากเลยคุณยมติว๋วแล้วก็เจ็บด้วยแล้วก็โกรธ ด, ด้วยแล้วถ้าเราตายไปตอนนั้นโอ้โหสวยมากๆเลยแต่ว่าในมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอฟังแล้วเหมือนผิดธรรมชาติจังเลยมาทําเราแล้วก็ต้องสู้ละ่ะธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือความไม่ใช่ตัวตนธรรมชาติคือเป็นธรรมชาติไปเนื้อนี่ของเธอเหรอ เนื้อมึงของโลกอ่ะคุณโตไม่ได้ก็คุณกินข้าวข้าวมาจากอะไรข้าวมาจากรดน้ำมาจากดินอันแล้วจะไปอะไรค่ะทีนี้ตัวอย่างของท่านมันอาจจะมันเกินสิ่งที่คนเราจะคิดถึงใครมาเลือดอันนี้ตัวอย่างของมดตาเนี่ยคะดิฉันขอประทานอภัยจริงๆที่แย้งในส่วนนี้เพราะมีความรู้สึกว่าคันเราเป็นท่อ น, อนเนี่ยโหดร้จริงๆไม่ต้องถึงขนาดหันเป็นท่อนน ะ, นะคะ ม, มันทาให้เราเจ็บช้ําน้ำใจสมมุตินะคะดิฉันยกตัวอย่าง ละครทีวีที่ทิตเนี่ยของช่องสามเนี่ย uh huh. อ, อะไรนะคะดอกส้มสีทอง uh huh. สมร่้คุณดีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีมากเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปรู้ว่าใครไาแย่งสามีตัวเองอย่างนี้ก็ถือว่าเจ็บช้ำทั้าใจละเป็นคนปกติธรรมดาทั่วๆไปในนิยายเรื่องอื่นโหต้องโปรดแค้งมากเลยนะคะ แล้วมีความรู้สึกว่าต้องเล่นงานเธอสมมุติว่าคนนี้มีหน้าที่การงานดีๆฉันต้องเอาเธอออกจากหน้าที่การงานได้ให้ได้แต่ว่าท่านบอกว่าพระพุทธองค์ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันกับถูกเลื่อเป็นท่อนๆไหมคะว่าก็ยังให้แผ่เมตตาอีกใช่เดยมีบุคคลที่เป็นอารมณ์ให้อดทนเพราะว่าถ้าเราจะไปตอบโต้ด้วยการที่เช่นว่าเอะเธอมีชู้เหรอฉันมีบ้างเธอมีกิ๊กเหรอฉันเอาสองคนเลยมันไม่ได้ เพราะอะไรใครจะเสื่อมเราจะเสื่อมเองเราจะเป็นคนที่เสื่อมตกลงไปเอง เ, ออเขาทำอย่างนี้กับฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันเอาเธอออกจิตเรามีอภัยาบาตรนะเราเป็นคนมีเขาเรียกว่าอัคติด้วยความโกรธนะคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยใครๆเขาก็ไม่เอางานที่ดีๆใหญ่ๆให้เราเพราะว่าอะไรเพราะความที่คุณไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวก็มีคนมาว่ า, ม, วามีคนมาด่าแล้วก็ไหลไปตามคนอย่างนี้เป็นคนที่ไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรง เป็นคนที่ไม่มีสีนแล้วก็เป็นคนที่พึ่งไม่ได้เวลาถ้ามีเรื่องจะพึ่งจริงๆเนี่ยโอ๊ยฉันไปหาคนอื่นดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรทำสิ่งที่เราควรทําคืออะไรพระเจ้าให้อดทนนะไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตให้มีความรักใคร่เอ็นดูนะทําอย่างนี้ค่ะอดทนอืต้องอดทนเอาไว้ใช่เฉลี่ยนึกถึงผู้หญิงที่ในละครนะคะเป็นนางเอกเนี่ยต้องอดทนอืต้องทําตัวเป็นนางเอกเลย แล้วก็มีเมตตาจิตใช่มองเขายังไงคะ<ก>คนนี้มาแย่ ง, งสามีดิฉันเนี่ยมองด้วยสยายตาความรักความเมตตา <c oughs> โอ้คนนี้เนี่ยเหรอี่ยเขายังมีกิเลสอยู่ก็มีความทุกข์อยู่โอ้ยเขาจะไปพึ่งใครใเรามีแต่ความรักความเมตต า, า เ, เขาจะมาพึ่งสามีเราเราก็แบบกกให้บัตรไทรเอ็นดูไม่เบียดเบียนท่านคะทีนี้อในส่วนของแผ่เมตตาที่เมื่อกี้มีบทเพลงชนะค่อนข้างละเอียดหรือว่า แม้เขาจะมาทำให้เราขาดเป็นสองท่อนเนี่ยอย่าไป ม, มีจิตพยาบาทนะคะแล้วก็อะไรนะคะใครที่กล่าววาจาชั่วหยาบากับเรานะคะเราต้องก็คือเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะไม่กล่าววาจาชั่วหยาบนั้นจิตของเราจะต้องเป็นจิตที่มีความเอ็นดูเกื้อกูลและมีเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์ เนี่ยค่ะอดีตฉันสนใจในสวนที่แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์ทํำยังไงล่ะคะไม่เข้าใจอะอก็หมายความว่าเราให้เอาบุคคลเนี้ยเป็นนิมิตในการที่เราจะตั้งจิตไว้เพื่อความแผ่เมตตาได้ตั้งจิตเอาไว้ที่เป็นเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเหมือนกับว่าถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าการแผ่เมตตาเนี่ยไม่ได้แผ่ให้คนนั้นโดยตรง แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยผ่าน<อ>บุนคคลนี้คนที่เป็นคู่กรณีเราหรือเปล่าอ่าโดยใช้บุคคล น, นี้เป็นเครื่องทำจิตของเราให้มีความเมตตาอ๋ออ่าคือใช้คนที่เป็นโจท์ทาให้เรามีความทุกข์เนี่ยใช่เป็นอุปกรณ์ในการในการจะทำให้เราเกิดความเมตตาถูกต้องจิตของเราจะมีเมตตาได้ก็เห็นคนนี้แล้วเอาจิตที่มีเมตตานั้นแหละแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดิฉันก็จ น, นึกถึงเรยาอ <ะ S 2> แล้วก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแผย่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีเรยาที่ทําให้ดิฉันกุนดีมีความทุกข์เนี่ยเป็นอารมณ์จริงๆน่าจะมีการทําละครน้ําเน่าแบบที่เป็นธรรมะบางก็ดีเหมือนกันดิฉันก็พยายามที่จะช่วยงานในการเผยแพร่และเชื่อว่าท่านทั้งหลายถ้าช่วยๆกันมากๆเนี่ยธรรมะเป็นที่ปรากฏเกิดไปปรากฏกับคนเขียนบทละครโทรทัศน์อ่า เดีฉันเชื่อว่าเขาก็คงจะเหมือนคนอื่น ๆ, ๆที่เห็นธรรมะของพระพุทธองค์ปุ๊บก็จำน้นว่าโอ้โหดีเหลือเกินแล้วต้องพยายามหยิบไปใช้อื ม, มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะท่านคือเรายกตัวอย่างจากคนที่เราเห็นเห็นหลายๆคนเนี้ยพอรู้จักว่าคําสอนของพระพุทธองค์เป็นอย่างไรถ้าเขามีโอกาสใช้เนี่ยนะคะเขาจะจับไปใ ส, ส, ส, ส, ส่ใส่ใส่ใส่ในการดําเนินชีวิตใช่ใช่ ก็จะมีการเขียนบทนี่แหละมันจะต้องเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปในทุกเรื่องทุกอย่างมันจะเป็นการดีค่ะนี่ก็เป็นทีนี้ท่านคะนมอลในทางกลับกันตามข้อเท็จจริงของหัวข้อข่าวเนี่ยไอ้การที่แก้แค้นด้วยทีตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างนั้นเนี่ยในทางพุทธนี่มันเป็นยังไงครับผลนะคะผลก็คือว่าความแค้นอะไรต่างๆนี่นะมันไม่มันมีการผูกเวรเนี่ยมีโยมติวกรรมเนี่ยมี ไอที่บอกเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมนเวรเนี่ยกรรมมีเวรมีแต่ความเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําอะไรนะไม่ดีนะคุณต้องได้รับผลแน่นอนนะฟังให้ดีคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปด่าเขาเขาด่าคุณใช่ไหมคุณด่าเขาคุณต้องได้รับผลของการที่คุณไปด่าเขาแน่นอนเขาฆ่าคุณใช่ไหมคุณไปฆ่าคนอื่นตอบคุณต้องได้รับผลของการที่คุณไปฆ่าเขาแน่นอนนะมันไม่ได้เป็นการชดเจรกันอย่างนั้น นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถูกนะเราจะทําแต่ความดีให้เป็นคนมีมาตรฐานเดียวในจิตเนะี่ยคือเป็นจิตที่ใครจะว่าเราเราก็ทําดีกับเขาได้ใครจะชมเราเราก็ทําดีกับเขาได้อย่างนี้ถึงจะเป็นคน<อ>ดีจริงๆค่ะก็เท่ากับว่ า, วาอย่าไปผูกเวรเนีคนอื่นแล้วไม่ต้องคิดว่ากรรมเนี่ยเราต้องเป็นคนจัดกา ร, ก ร, รใครทําใครได้อย่างนี้นใช่ไหมคะกรรมเนี่ยเราต้องเป็นคนจัดการสิไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่า ใครสร้างกรรมให้กับเราใครทำอะไรเราเนี่ยเขาต้องได้รับผลแน่นอนอ่คือเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเขาก็ได้รับผลอย่างนั้นถูกไ่มคะเพราะว่าผลที่เขาจะได้รับเนี่ยได้รับจากคนอื่นก็แล้วกันแต่ไม่ใช่ได้รับจากเราเพราะว่าถ้าเราไปสร้างผลให้แก่เขาเนี่ยอันนี้ผลที่เราไปสร้างเขาจะเกิดกับเราเหมือนกันก็กลายเป็นว่าเราจะเป็นคนที่มีกรรมซึ่งเป็นผลจากการกระทาที่เราคิดว่าเราจะไปจัดการเขา ะะการที่เราจะจัดการใครหรือว่าเขาจะได้หรือไม่เนี่ยก็ให้เป็นไปนระบบตามระบบของกรรมแม้ท่านการดีฉันไม่แน่ใจเวลาพอหรือเปล่าดิฉันเลยสงสัยค่ะว่าการที่เราจับคนทําผิดเข้าคุกกันนะคะบางค น, นถึงขนาดประหารชีวิตเขาเลย อ, อย่างนี้มันไม่ผิดหลักที่ท่านกําลังพูดอยู่หรอคะโอ้โหเรื่องนี้พระเจ้าเคยบอกเอาไว้ว่ า, อาตอนที่พระองค์เป็นพระราชาเนี่ยแล้วตัดสินจําคุกสั่งประหารชีวิตแรงต่างตัวเองไปตกนรกนะ เลยตอนที่เกิดเป็นเตมีใบอะ่ะเลยระลึกถึงชาติตรงนั้นได้เลยไม่อยากเป็นพระราชาอีกก็เลยทําเป็นใบนะเพราะตัวเองไม่ต้องการไปตกนรกไม่ต้องการมาสั่งการอะไรพวกนี้อีกค่เพราะมันมีความเสี่ยงมากมีความเสี่ยงมากๆดิฉันก็ลังเป็นห่วงสิคะคนที่มีหน้าที่ตัดสินคนอื่นนะคะเดี๋ยวคงก็ต้องเป็นประเด็นที่ฝากท่านแล้วกันนะคะว่ า, วาดิฉันอาจจะถามท่านอีก ในโอกาสต่ อ, ต อ, ตอไป uh huh. ในประเด็นเหล่านี้เพราะว่าน่าสนใจมากชชเชื่อว่าท่านฟังทั้งหลายก็น่าจะสนใจโดยเฉพาะคนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรากําลังทํางานในทํามนองนี้อยู่นะคะวันนี้น้อมส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะท่านฟังทั้งหลายก็คงจะได้ประโยชน์กันตามควรทีเดียวนะคะกับการตอบคําถามของพระอาจารย์เพย์บูลส่วนรายการของเราเราจะหยุดสราร์อาทิตย์ค่ะถ้าท่านเพบูลเนี่ยท่านขยันมาก นะคะสาวทิตย์ก็ไม่หยุดที่จะทําหน้าที่ของสาวกของพระพุทธองที่ดีคือเผยแผ่ต่อแล้วสถานที่ที่ท่านจะไปพูดเนี่ยก็ตรงกับเวลาของเราเลยก็คือตีห้าถึงตีห้าครึ่งเช่นเดียวกันเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านก็ติดตามฟังท่านพิบูลกันต่อไปก็แล้วกันนะคะส่วนรายการของเราสันนินาคพงําเนินรายการรายการนี้ชื่อสรนนีสนทนาท่านฝากคําถามเอาไว้ได้ที่ศูนย9สองส และเพียวธรรมะคอมหนึ่ค่ะขอให้ท่านได้นำเอาธรรมะทั้งหลายไปใช้นะคะแล้วก็ลองซีว่าตัวเองนั้นได้ประจักษ์หรือเปล่าว่าสิ่งที่พระพุธองศอนั้นเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงๆส่วนดีฉันนั้นเชื่อนะคะว่านำมาใช้ชีวิตจะเกิดความสวัสดีเราก็ลาท่านด้วยพุทธวัตรสวัสดีนี่แหลคะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะ